ผู้ที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยนะรักษาวาจาได้ดีรักษากายสมาจารรักษาวจีสมาจารย่อมได้ลักษณะพิเศษเนี่ยนะคือคนมีศีลเนี่ยนะโดยทั่วไปก็พิเศษกว่าคนทุ่มศีลอยู่แล้วละตัดความเศร้ามองออกไปเนี่ยนะตัดความเดือดร้อนตัดความลำบากออกไปเพราะใช้คำพูดไม่ส่อเสียดไม่ส่อเสียดเนี่ยนะจึงมีร่างกายไม่แตกแยก ใครที่แสดงว่ากายแตกแยกกายขาดพิการเป็นต้นเนี่ยเป็นผลของความส่อเสียดมันถ้าไม่ส่อเสียดบริวารก็ไม่แตกแยกบริวารก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่งั้นก็โอ้ไม่ใช่ว่าแตกกะระซ้านซ่านเซนไปทั่วสารพัดเรียกว่าแตกกระจายไปทุกทิศไม่ใช่แบบนั้นเป็นผู้ที่มีบริวารไม่แตกแยกแม้เครียกว่าถูกยุยงถูกส่อเสียดก็ไม่แตกแยกเลยนะเรียกว่าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ขณะเดียวกันมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัตธรรมคือหมายความว่าไม่ใช่มีความเห็นที่แตกแยกจากคำสอนนี้ก็ผลจากการไม่ส่อเสียดเมื่อรักษาวาจาสัมมาวาจาคือไม่ส่อเสียดดีทำให้ตัวเองเนี่ยมีใจไม่แตกจากพระสัตธรรมไม่งั้นเนี่ยถ้าผลของการส่อเสียดมันให้ผลเนี่ยทำให้ใจเนี่ยนะ มันนึกๆขึ้นมาบอาเอ๊หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านหลอกเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยขนาดนั้นมีใจแตกจากพระสัทธรรมจนได้เนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่รักษาวาจาไม่ส่อเสียดมิตรก็มีมั่นคงมีเพื่อนก็เรียกว่ามีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนจานวนใช้คำว่าเพื่อนยากเนี่ยหมายว่าเป็นเพื่อนที่ไม่มีความกินแหนงแคลงใจกันคบกันได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่รักของสรพพรพสัตว์ทั้งหลาย ดุดสั่งสมกันไว้ในระหว่างพบคือหมายคมว่าเห็นใครก็เหมือนกับว่าบุพเพสนิวาสใครใครเห็นปั๊บชอบเลยเหมือนกับว่ามันเคยเกี่ยวข้องมีความผูกพันกันมาเป็นต้นในอดีตเรียกว่าอย่าว่าอดีตธรรมดาเลยอดีตตชาติเป็นต้นถามว่าเพราะอะไรเพราะผลจากการไม่ส่อเสียดเนี่ยนะแต่ถ้าส่อเสียมันให้ผลนะ มันพร้อมที่จะแตกเนี่ยนะมันพร้อมที่จะร้าวนะเคยเห็นปูนมันราวไหมพร้อมที่จะร้าวพร้อมที่จะราดเหมือนกแก้วมันร้าวมันฉานในที่สุดก็แบบอะไรนะเหมือนตึกอะมันแยกออกเป็นสองส่วนเลยฉันใดนั่นเป็นผลของการส่อเสียดมีพักมีพวกมีบริวารโอ้ยมีแต่ปัญหามีครอบครัวก็พร้อมที่จะแตกเกือบจะแตกพร้อมที่จะแตกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นผลของส่อเสียดเนี่ยนะส่อเสียดก็คือยุแยงตะแคงรั่วให้คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นที คือเขาก็อยู่กันดีๆพอเราพูดปั๊บเนี่ยนะเขาเริ่มมีปัญหาแล้ะเขามีปัญหาคาใจทันทีเลยนะนั่นเป็นผลของมิจฉาวาจาเนี่ยนะนนถ้าใครใช้วาจาประเภทนั้นอย่างบางคนนะเขาก็สมัครสมานกันดีอะ่ะพอเราพูดสามคำแค่นั้นแหะไอะ้เขาก็เริ่มกินใจกันแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เกิดชาติใดบางใดก็ไม่ต้องคบหาสมาคมกับใครเรกแตกมดเนี่ยนะต่อไปถ้าไม่พูดคำหยาบแหละใช้คําเป็นที่รักเ่ยนะ เพรนันผลของการไม่พูดคำหยาบจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่สบายนะไม่ต้องมาเรียกว่าไม่ต้องมาเจ็บกายเจ็บใจจะได้รับแต่คำพูดที่ไพเราะขณะเดียวกันเสียงของตัวเองก็จะเป็นเสียงที่เพราะเป็นเสียงที่น่ายกย่องอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ประกอบด้วยเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8ก็เพราะพูดถ้อยคาอันเป็นที่รักนนะ ก็คือไม่พูดคำหยาบพูดทอยคำอันเป็นที่รักเรียกว่าคนพูดก็สบายใจคนฟังก็สบายใจไม่พูดเพ้อเจ้อจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพน่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายอย่างคนเนี่ยพูดพูดเพ้อเจ้อบ่อยๆเนี่ยจริงพลเท็ตเท็จปนจริงเรื่องไม่มีประโยชน์ถามว่าใครจะเคารพมั้งไงเดี๋ยวก็พูดพร่มพูดมากเขาบอกว่า ไปที่ไหนเนี่ยเขาจะสมมติว่าถ้าเดินทางเป็นหมู่นะในนั้น่ะมันมีใครเพอร์เจอร์มากถ้าเพอร์เจอร์เนี่ยเขาเริ่มอไอคนนี้ขี้บ่นไหมเขาจะเริ่มคิดแล้วใช่คือบางคนพวกกลุ่มขี้บน่นพวกเรื่องมากเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเพอร์เจอร์นะพวกเรื่องมากเรื่องนิดๆหน่อยๆก็กลายเป็นปัญหาหมดบางคนนี่ไม่รู้ทำกรรมอะไรมานะไอเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันเป็นปัญหาไปหมดทุกเรื่องเข็มตกอันเดียวก็มีปัญหา อะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้นะเขามานี่เกิดมาไม่รู้ทํากรรมอะไรมาเจอทุกคนทุกกลุ่มทุกประเภทไอ้เรื่องง่ายมันยากไปหมดเลยนะไอ้คนอื่นก็ไม่เห็นว่ามันยากเยินอะไรมันก็แป๊บเดียวมันก็ไอ้เรื่องเจ้านี้เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่ อ, อไรมันยากไปทุกเรื่องมันมีปัญหาไปทุกเรื่องพราอู้อะไรจะขนาดนั้นนะนะสรุปเล ย, นะเลยก็เลยไม่มีใครชอบเลยเป็นที่น่ารังเกียจไม่ไม่เป็นที่ยินดีของสาตว์ทั้งหลายคนเนี่ยพูดมากแต่คนฟังน้อย ไม่ค่อยมีใครชอบฟังก็เพราะว่าผลของเพอร์เจอร์นี่ยนะเพอร์เจอร์เนี่ยนะน ย, นะยิ่งพูดมากก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับเสียงร้องให้นะเสียงร้องให้ถามว่าใครอยากฟังบัง่งมีใครสนใจอยากฟังรอ้องเพอร์เจอร์มันก็เป็นเช่นนั้นแลแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเรียกว่าไม่มีอนุภาพน่นะท่าน ผู้ที่พูดไม่เพ้อเจอนั้นจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของศาสตร์ทั้งหลายมีถ้อยคําที่เชื่อถือได้คําพูดก็พูดแต่พอประมาณมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากมีอํานาจมากฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณอย่างฉับพลันแคกว่ามองอะไรก็มองทะลุ ป, ปรุ ป, ปร่งจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็แก้ปัญหาไม่ยากมีความสามารถในการแก้ปัญหาของศาสตร์ทั้งหลาย มันแค่ว่าแก้ปัญหาในหลายภาษาหลายเรื่องโดยใช้คําเดียวเท่านั้นหรือก็เป็นคนที่มีความสามารถพูดได้ในหลายภาษาด้วยอย่างเช่นพุทธภูมิผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งว่าพูดปับ๊บพุทธพจน์ที่เปล่งออกมาปั๊บเนี่ยทุกคนจะฟังเป็นภาษาตัวเองหมดแล้วฟังเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยนะ พันพระองค์เนี่ยเป็นบุญของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยรักษาสัมมาวาจาเว้นจากคำเทศคำหยาบคำส่อเสียดพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดสัมมาวาจาเนี่ยนะพันเขาจะมีอันหนึ่งคือการกล่าวธรรมเนี่ยนะผลของการกล่าวธรรมพันสัมมาวาจาที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือการกล่าวธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าจะกล่าวสัมมาวาจาทำยังไง การสาทะยายพระธรรมที่เราเรียกว่าสวดมนต์ก็คือการสรนเสริญพระรัตนตรายการอ่อนน้อมพระรัตนตรายนี่แหละเป็นการเจริญสัมมาวาจาด้วยเป็นการกล่าววาจาสุภาษิตด้วยเป็นเหตุให้มีกลิ่นปากหอมเป็นต้นด้วยเนี่ยนะแล้วก็วาจาเหล่านี้ก็ช่วยปกปากรักษาไม่ให้ตกไปสู่อาบายทุกขติวินิบาณนี้ต่อไปถ้าอนัพิชาไม่โลภหรือมุ่งกําจัดความโลภ จึงมีลาบตามที่ตัวเองต้องการต้องการอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการแปละนะคนนะ่ะยิ่งโลภยิ่งไม่มีนักขอทั้งหลายยิ่งขอขอขอขอเที่ยวขอไปด่าไปหมดเลยนะดีไม่นีนะแทบไม่ได้อะไรเลยเช่นขอทานยิ่งขอนานๆ น, น, น่าจะมียิ่งขึ้นนะถ้าไม่ได้ทำอะไรเที่ยวขออย่างเดียวน่าจะมีเยกมีมากเปล่ายิ่งไม่มีเนี่ยนะยิ่งขอยิ่งหมดเป็นต้นเนะ เพออราะคนที่ไม่โลภมีแต่น้อมไปเพื่อจะให้เพื่อจะให้จะได้อะไรทุกอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการได้กระได้ความชอบใจได้ความต้องการกระต้องกา ร, าการโภคะก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้มากมายอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการเป็นที่ยอมรับของกษัตริย์มหาสารบางคนเนี่ยนะมีทรัพย์มากถึงขนาดว่ากษัตริย์ต้องยอมรับอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาติพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ต้องยอม กษัตริย์นับถือท่านเป็นอาจารย์นะบางชาติไม่ใช่กษัตริย์องค์เดียวอย่างเป็นมหาโควินเนี่ยนะมีกษัตริย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยหองนะนะบางชาติมีกษัตริย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นหมื่นองเนี่ยนะผลไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ดูเลยกษัตริย์เนี่ยนะก็เรียกว่ากษัตริย์เนี่ยรับใช้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะผลของบุญเนี่ยผลของอนาจพิชชาผลแห่งความไม่โลภก็เลยเป็นผู้ที่มีค่าศึกครอบงําไม่ได้ น, นะ่นนะ คือคนที่โลภมากเนี่ยนะก็เหมือนกับปลาเนี่ยนะปลาบางตัวเนี่ยมันตายเพราะติดเหยื่อชันใดผู้ที่ไม่โลภก็เหมือนกันเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยที่ไปตายตามที่ต่างๆก็เพราะผลแห่งความโลภแท้ๆเพราะนั้ฆ่าสึกเลยครอบงำไม่ได้คนที่บางทีก็เพราะเหยื่อเล็กๆน้อยๆนี่แหละฆ่าสึกเลยครอบงำแต่คนที่ไม่โลภเนี่ยยากที่ฆ่าสึกจะครอบงำได้แล้วก็เขาอ่อยเหยื่อยังไงมาก็ไม่ติดเบ็ดง่ายๆก็เพราะมีใจ ไม่โลภคนที่เดือดร้อนก็เพราะความโลภแท้ๆเนี่ยนะเลยมานอนเรียแผลกันอยงั้นไม่ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิ่กลพิการน่ยนะเขาบอกว่าคนโลภมากเนี่ยตามันมืดอย่างนั้นก็เลยทําให้ตาไม่พิการหูไม่พี่การไม่พิการตาไม่พิการหูหาบุคคลที่เปรียบเทียบได้ยากอย่างนั้นหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพราะผลของมุ่งกําจัดความโลภเนี่ยก็คือเห็นโทษของความโลภ โลภมากนึกว่าจะดีใช่ไหมอย่างที่เขาว่าโลภมากลาภายยิ่งโลภยิ่งไม่ได้ยิ่งโลภยิ่งอดเนี่ยนะต่อไปเพราะไม่พยาบาทเพราะไ ม, ไม่ไม่พยาบาทไม่ไม่โกรธเนี่ยนะจึงดูเป็นผู้ที่น่ารักเคืราว่าถ้าคนเนี่ยนะถ้านั่งเมื่อไหร่กันหน้าหงิกหน้างอหน้าเบี้ยวเป็นต้นเนี่ยนะลืมตาเมื่อไหร่ก็แหมหางตานี่ยังจะฆ่ากันทิ้งยังไงก็ถ้ายังไงก็ ัลถ้าหากว่าเจริญอัพยาบาทไม่พยาบาทก็ดูเป็นผู้ที่น่ารักเป็นที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายเลื่อมใสไม่ยากเขาจะนับถือเขาจะเคารพเขาจะเลื่อมใสไม่ยากเพราะเป็นผู้พอใจยิ่งในประโยชน์ของผู้อื่นเพราะผู้ที่อัพยาบาทเนี่ยน้อมว่าทําชนิดสัตว์อื่นเขาจะได้รับประโยชน์คนอื่นเขาจะเจริญด้วยประโยชน์ได้อย่างไรเพราะนั้นอัพยาบาทหรือเมตตาในที่นี้ มุ่งน้อมนาประโยชน์เข้าไปให้อันหนึ่งเป็นผู้มีสภาวะไม่เศร้าหมองเพราะอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะจิตใจไม่โขนมัวไม่กรุ่นไม่ป่วยทางความคิดเหมงอนกันแต่สุขภาพจิตดีเยี่ยมเวลาที่เราโกรธเนี่ยเห็นชัดเลยนะสุขภาพจิตอักเสบเนี่ยใจมันอักเสบทุกทีมันคิดอะไรก็คิดไม่ออกนะเรียกว่าป่วยทางความคิดตังเกต็ดดูนะมีเรื่องไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยโอ้ท่นอักเสบทางความคิด คิดอะไรก็ไม่ออกป่วยไปหมดพระไตรปิฎกก็ไม่น่าอ่านนะมันอักเสบทางความคิดเรียบร้อยแล้วเหมือนตาอักเสบไม่อยากเห็นภาพฉันใดใจถ้ามันอักเสบด้วยโทสะเนี่ยมันก็ฉันนั้นเนี่ยนะเดือดร้อนเนาไม่ดีก็พั้นแต่ถ้าอยู่ด้วยเมตตาก็เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากเนี่ยนะคือคนที่มีใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะพูดน้อยแต่ได้ประโยชน์มากผู้ที่มีโทสะมากพูดมากแต่ได้ประโยชน์น้อยต่อไปเพราะเป็นผู้ไม่เห็นผิด จึงย่อมได้ความย่อมได้สหายดีคือคนเป็นคือคือคนเนี่ยนะมันเห็นยังไงมันก็ได้พวกแบบนั้นน่ะถ้าใครมีมิจฉาทิฏฐิมันก็จะมีพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าคนเนี่ยมันมันเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกันเสมอกันด้วยธาตุเสมอกันด้วยศีลกับทิฏฐิมันความเห็นแบบไหนในที่สุดนะัมันจะไปรวมตัวกันไม่ต้องแปลกใจหรอกถ้ามีการรวมหมู่รวมเหล่ารวมพักรวมพวกมันสมควรแก่ แกความเห็นทีนี้ถ้าใครมีความเห็นผิดไอ้พวกเห็นผิดมันจะไปรวมกันถ้าใครมีความเห็นถูกพวกเห็นถูกมันจะรวมกันเพราะสัตว์ทั้งหลายมีธาตุใกล้กันนี้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่เห็นผิดจึงได้แต่เพื่อนดีก็เพื่อเพื่อนที่ไม่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเพราะคนที่ไม่เห็นผิดมีหรือจะคบคนที่เห็นผิดคนที่เป็นคนดีมีหรือจะยอมคบคนเลวฉันใดพระโพธิสัตว์ไม่เห็นผิดจึงได้ มิตรสหายดีแล้าท่านคบใครครบพระพุทธเจ้าคบพระปัิเจ้พระพุทธเจ้าคบพระพุทธสาวกคบบัณฑิตทั้งหลายเพราะใจของท่านน้อมไปอย่างนั้นเพราะความที่ท่านเป็นบัณฑิตท่านก็เลยเลือกคบบัณฑิตนี้บัณฑิตเขาดูกันที่ปัญญาเนี่ยนะผู้ที่เป็นบัณฑิตก็คือคบคนที่มีปัญญาด้วยกันทีนี้เนื่องจากท่านรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้โทษ อะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะถึงใครมาฆ่าให้ท่านทำชั่วท่านก็ทำไม่ได้ถึงเอาดาบมาตัดหัวก็ไม่ยอมทำความชั่วขณะเดียวกันก็พวกไม่เป็นพวกตื่นตูมมงคลตื่นขา่าวแล้ ว, ว่าพวกตื่นตูมเขบอกว่าเห็นอันนี้ดีนะก็ไปเที่ยวดูกันเนี่ยนะไปรอด ท้องนู้นทอดท้องช้างท้องมาไปรอดนูน้นรอดนี้เราว่าดีพวกนีนนก้เรียกมงคลตื่นตูมเนี่ยนะก็ตื่นตูมไปเรื่อยเพราะว่าอะไรดีกว่าทอาไปหมดสะดอคลอสะดอกรอนอะไรก็ทําไปทุกสรารพัดอย่างเสร็จแล้วก็ดีจริงหรือเปล่ปาก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็ใจนี่มันตื่นเต้นกันละ ก็ไม่เป็นคนลักษณะแบบนั้นเพราะมีความเห็นที่มีกรรมเป็นของของตนจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ด้วยกรรมแต่ทีนี้กรรมในอดีตจะให้ผลหรือไม่ให้ผลเนี่ยอยู่อะไรกาลคติอุปธิและประโยคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาศัยกาลคติอุปธิประโยชน์คะก็เลยทําให้อกุศลกรรมก็ไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยนะมันก็เรียกว่ารู้จัดแจงประโยชน์ได้อย่างดี ขณะเดียวกันความที่ท่านมีปัญญาดีมีกรรมสกตาดีเนี่ยนะจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาประกอบกับศรัทธาเป็นคุณธรรมที่เป็นรากมั่นแห่งพระสัทธรรมกรรมสกตาและศรัทธานั่นแหละเป็นรากที่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีกรรมสกตาศรัทธาไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคุณธรรมทั้งหลายจะมีไหมแต่นี้ไม่ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ท่านเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ยินดีในลทัทธิมิจฉาทิฐิเหมือนพญาหงไม่ยินดีในขยะฉะนั้นเพราะพันหงไม่ใช่กาไม่ใช่อีกาอีแรงถ้าอีกาอีแรงก็ชอบยินดีในที่ปฏิกูลแต่ว่าพญาหงยินดีในน้ำสะอาดพระโพธิสัตว์ใจของท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านมีศรัทธาท่านมีกรรมสกตาศรัทธา ท่านจึงเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเลื่อมสายในพระตถาคตเป็นผู้ฉลาดในการกําหนดรู้ลักษณะสามกำหนดลักษณะสามกำหนดอนิจจลักษณะมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตายอย่างไรเนี่ยนะรู้ในลักษณะสามเป็นผู้ได้อนาวรณญาณเป็นที่สุดเพราะสั่งสมแต่ความรู้สั่งสมแต่สติปัญญาสั่งสมแต่แสงสว่างแห่งปัญญาในที่สุดก็มีปัญญาไม่มีอะไร ขวางกัน้นนะั่นนะรอดรู้โดยไม่มีอะไรที่จะตกปิดได้ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุสัมโพธิญาณถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าล่ะจะเป็นผู้โดดเด่นในหมู่สัตวนน์นั้นเพียงนั้นเมื่อวานก่อนไปอ่านวิทูลบัณฑิตโอ้ไพเราะมากนะีมีปัญญา ม, มากจริงๆเนยนะมะีปัญญามากนะเราโมโหสถบัณฑิตก็มีปัญญา ม, มากแก้ปัญหามไม่ให้มีสงครามได้ทั้งหมดเนยนะ นิทูลบัณฑิตนี่ก็เก่งมากนะมีปัญญาซอนอัดซ้อนทำแก่พระราชาทั้งร้อยเอ็ดหมูเมืองเป็นมโหสถก็เขาจะมีสงครามก็แก้ปัญหาไม่ให้มีสงครามได้นะเรียกว่าฉลาดแก้ปัญหาทั้งทั้งที่บ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟหมดแต่ก็แก้ปัญหาให้สงบระงับดับไฟสงครามได้หมดอนะ่ะอันนั้นจะเป็นผลของปัญญาท่้นผลของปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาทําให้ไม่มีการฆ่าการลักเป็นต้นเนี่ยนะ พันถ้าหากว่ายังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้โดดเด่นที่สุดในหมู่สัตว์ทั้งปวงแล้วก็เป็นผู้ที่มีสมบัติสมบัติมากมายทั้งโภกสมบัติและอริยทรัพย์เป็นต้นพึงยังการนับถืออย่างมากให้เกิดขึ้นว่าศีล น, นี้เป็นที่ตั้งแห่งสัพพสมบัติอันนี้นี่เรายังพูดในหัวข้อว่าอะไรจารีศีลเนี่ยนะว่าศีลการงดเว้นจากความชั่ว เป็นที่ตั้งแห่งสมบัติทั้งปวงเป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวงถ้าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องศีลได้อย่างไงเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีศีลอย่างดีเยี่ยมพระองค์จึงบัญญัติพระวินัยทั้งหลายออกมาได้บัญญัติคุณธรรมคือศีลมาได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งหมดศีลเป็นเบื้องต้นแห่งพระพุทธคุณศีลท่านบอกว่าเป็นเบื้องต้นของพุทธกรลกฐธรรม แปลว่าศีลเป็นเบื้องต้นของบารมีศีลเป็นความประพฤติของบารมีศีล น, นำหน้าบารมีศีลเป็นบับประมุกของบารมีเป็นประมุขของพุทธกาลการรมคือบารมีทั้งหลายพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการสํารวมกายและสํารวมว่าจะฝึกตาไม่ให้ดูในสิ่งที่เป็นบาปหูไม่ให้ฟังในเสียงที่สิ่งที่ก่อให้เกิดบาปเป็นต้นเนี่ยนะจึงมีอาชีพที่บริสุทธ พิจารณาปัจจัยด้วยกําลังแห่งสติสัมปชัญญะรอบรู้ในลาบสการะและความสรรเสริญเห็นเลยว่าลาบสการะสรนเสริญเหมือนกับศัตรูผู้อยู่ต่อหน้านะมองเห็นว่าลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญเนี่ยเหมือนกับศัตรูต่อหน้าเท่านเห็นคุณของศีลทําศีลเนี่ยให้เป็นมิตรให้มิตรคือศีลจึงสมบูรณ์ด้วยศีลเคารพอยู่ในศีลดํารงมั่นอยู่ใน คุณธรรมคือศีลรักษาศีลเหมือนกิกวักวอันดังอันดะเนี่แปลว่าไข่กิกวักก็คือนกอะไรกิกวักนกต้อยตีวิตเนี่ยนะมันร้องกิกวักะคล้ายๆแบบนี้แหละกิ๊กิกิอะไรเนะี่ยมันร้องคล้ายๆแบบนี้จนระิงนกชนิดนี้มันรักไข่มากเนี่ยนะห่วงไข่ฉันใด เพ่งรักษาศีลฉันั้นเขาบอกว่าศีลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็คือรักกุศลเจตนาตัวเองห่วงแหนทนุถนอมกุศลเจตนาตัวเองมากว่ากุศลเจตนากุศลศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณจริงๆเลยนะเขามองเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นทซั์มองเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นอริยซัพย์ศีลเนี่ยเป็นเหตุให้มีโภอท้าซับศีลเนี่ยเป็นเหตุให้มีอริยซัพย์เป็นต้นนั้นก็เลย ปกปักรักษาธนุถนอม ห, ห่วงแหนคุณธรรมคือศีลเหมือนกับนกต้อยติวิทนกต้อยติวิทรักษาฟองไข่จามารีรักษาขนหางบุรุษผู้มีตาข้างเดียวถนอมดวงตาข้างเดียวแม่ที่มีบุตรคนเดียวก็ทนุถนอมบุตรคนเดียวฉะนั้นเนี่ยนะมันก็รักษา ห, ห่วงแหนทนุถนอมในกุศลศีลทนุถนอมปกปักรักษาใน กุสวลเจตนาเนี่ยนะว่าเจตนาที่เว้นจากความชั่วเว้นจากเจตนาที่คิดจะเอาชีวิตของผู้อื่นเว้นจากเจตนาที่จะเอาทรัพย์ของผู้อื่นเว้นจากเจตนาที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่สมควรนะไม่ประพฤติผิดในบุตรและภรยาของผู้อื่นรักษาเจตนาที่จะดารงมั่นอยู่ในคำสัตว์คาจริงเจตนาเว้นจากการดื่มสุราเหมือนกับ เรีว่ารักษาเจตนาบอกว่าจะไม่ดื่มยาพิษฉนั้นเนี่ยนะก็ปกปักรักษาเว้นจากบาปทุกโทษที่ล่วงละเมิดมาทางกายวาจาฉนั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวารีตที่เว้นจากความชั่วทั้งกายและวาจาส่วนจารีตก็เป็นพุ่งนี้กันล้วกันวันนี้ก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ประสบเพิ่มภูในฐานกุศล ส, สีและกุศลตามรอยของพระโพธิสัตว์ทุกท่านนะ ในที่สุดก็ตรัสรู้ทำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะผลแห่งการบำเพ็ญบารมีแล้วฉันนั้น